กส็สทรวงสวาารณสุขเขา ข, ขอความร่วมมือนะไม่ให้พวกเราไปที่คนเยอะๆเกิดร้อยคนสงสัยต้องแจกบัตรชิวพอครบร้อยแล้วปิดประตูเมืองจีนสถานการณ์ดีขึ้นแล้วคนจีนมีวินัยนะดีมากมากเลย คนไหนไม่มีวินยนะัยเขาก็ฆ่าทิ้งเลยมีวิสามันสีเช่นผิงท่านอนุญาตคนไทยเลวไหลไปเสริมสวยเกาหลีอะไรเงี้ยทำสัญญกรรมเวลานี้เป็นเวลาที่ เต็ไมไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างพวกเรามีวินัยพวกเราใส่แมสก์พาะเราไม่ไปวุ่นวายกับใครที่ไหนคนอื่นมันไม่มีวินัยบางกลุ่มไม่น่าเชื่อนะมีการศึกษาแต่ว่าทำตัวแย่ yeah. ไปกินเลี้ยงกันติดเชื้อเยอะๆถ้ากระจายมากกวานี้บ้านเมืองจะเสียหายมาก เ ส, เสียกันหมดนะนี่เราทำตัวดีแต่ไม่แน่เรื่องของกรรมนีบางทีเราทำกรรมดีนะแต่เราไปอยู่ในสังคมที่มันไม่ดีนะเรียกว่าเป็นนะมีความวบิติ มีสมบัติกับวิบัติสมบัติคือคุณสมบัติที่ดีเงินไขที่ดีวิบัติอย่างเงินไขที่ไม่ดีอย่างบางคนรักษาศีลมาดีนะพวกรักษาศีลดีนะเกิดมาหน้าตาสวยรูปล่อมันะไปเกิดช่วงสงครามมีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามคนสวยคนหล่อไม่มีความหมาย คนแข็งแรงมีความหมายกว่าก็ไม่ได้ใช้ความสวยความหล่อให้เกิดประโยชน์บางคนมีสติปัญญามากอบรมทำกรรมฐ า, านเจริญปัญญามาฉเฉลียวฉลาดมาเกิดในชุมชนซึ่งชอบใช้กำลังนั่นงได้ใช้ความฉลาดไม่เต็มที่ หรือศิลปินเก่งๆนะมันเกิดในยุคที่วุ่นไวายไม่ได้ใช้ความสามารถงั้นเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยซับซ้อนมีความซับซ้อนเพราะมีเงื่อนไขหลายตัวไม่ใช่เราไปตีหัวเขาแล้วเขาจะต้องกลับมาตีหัวเราไม่ใช่นะมีเงื่อนไขพิเศษมากมายอย่างจุดสำคัญเลยก็คือสมมติว่าเราชีวิตเรามีปัญหาขึ้นมา ม, มีปัญหานด้วยพิบาตของเราเองหรือว่าเพราะว่าสังคมข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนเราควบคุมไม่ได้พิบัติจากอาดีตเราก็าคุมไม่ได้สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เราก็าคุมไม่ได้คนอื่นเราก็าคุมไม่ได้สิ่งเหล่านี้ส่งผลมาะ แต่สิ่งที่เราทำได้คือทำกรรมใหม่ทำกรรมในปัจจุบันเนี้ยอย่างเขาพุ่นไายกันมากมายร่างกายเราอาจจะไม่สบายนะติดโรคโนโรคนี้ขึ้นมาแต่เรารักษาใจของเราให้มันมีความสุขได้นะั้นความเป็นชาวพุทธเนะ ไม่ใช่ว่าร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนคนอื่นแหละแต่คนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายแล้วเขาทุกข์ของเราเห็นว่าแก่มันธรรมดาเจ็บมันธรรมดาตายมันธรรมดาเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใจยอมรับได้ใจจะไม่ทุกข์ความทุกข์ทางใจเกิดจากใจไม่ยอมรับความจริงยอมรับไม่ได้ แก่เรายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์เจ็บเรายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ตายเรายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์แต่ถ้าเรารู้สึกว่าธรรมดามันจะไม่ทุกข์ใจพอ ร, รู้สึกว่าธรรมดานะใจก็จะไม่ดินน้นรนไม่มีตัญหาก็ไม่ดินน้นรนตรงดิ้นรนนั้นคือการสร้างภพของจิตสิ่งที่ตามมาคือทุกข์มีภพเ ม, มื่อไรมีทุกข์เมื่อนั้นนี่เป็นกฎของธรรมะ เพราะฉัในใจเราดิ้ น, นรนเะมื่อไหร่นะความทุกข์จะต้องเกิดทันทีความดิ้นรนของใจคือตัวภพเกิดจากอะไรตัณหาเป็นผู้สร้างภพ ค, ความอยากให้ทาให้ใจดิ้นรนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ใ, ใจก็ดิ้นรนถ้ารู้สึกแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดามันก็ไม่มีความอยาก เมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีความดิ้นรนของใจเมื่อไม่มีความดิ้นรนของใจแล้วไม่มีพบนะก็ไม่มีทุกข์อย่าพระพุทธเจ้าท่านบอกนะมีพบไม่ว่าจะดีพิเศษแค่ไหนละเอียดประณีตแค่ไหนก็ทุกข์ทั้งสิน้นเป็นแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเป็นเทวดาก็ทุกข์นะเป็นพรหมก็ทุกข์ถึงจะภพละเอียดแค่ไหนเพราะใจยังดิ้นรนปรุงแต่งอยู่ ที่หลนปรุงแต่งเพราะอยากมีตัณหามีตัณหาเพราะไม่เห็นความจริงการไม่เห็นความจริงของกายของใจนะะั่ะ <S bir Baker> คือตัวอวิชชามีอวิชชาคือไม่เห็นความจริงของกายของใจก็เกิดความอยากอย่าเราไม่เห็นความจริงของกายของใจว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็เลยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพออยากขึ้นมาใจจนะดิ้นเกิดภพ มีตัญหาก็สร้างภพขึ้นมามีภพเมื่อไรความทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นเี่ยกระบวนการอันนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทที่หลวงพ่อย่อๆมาให้ฟังนะถ้าแจกแจงละเอียดในยาวพูดกันหลายวันเลยย่อๆเลยก็คือเราไม่เห็นความจริงของกายของใจนะเราก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์นะไม่เห็นความจริง ก็เกิดตัญหานะเกิดอยากมีความอยากก็มีความดิ้นรนนะใจมันจะดิ้นรนทันทีที่เกิดความดิ้นรนนะีว่าเกิดภพนะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนะ พ, พระพุทธเจ้าถึงบอกนะภพนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยเล็กๆน้อยนอยอะไรนะอย่างใจดิ้นรนนี่เป็นภพเล็กเล็กภพ ย, ย้อยย้อนยะตายแล้วมาเกิดเป็นคนนี่เป็นภพใหญ่ๆ พบมีสองอันนะการเกิดเป็นพบเนียมีสองอันอันหนึง่งเป็นพบด้วยการเกิดอย่างเราตอนเนี้ยเราเป็นพบของมนุษย์แต่ใจเราเนียมีพบย่ายๆที่เกิดจากตัณหามากมายตัวนี้เรียกว่ากรรมมาพบการทำกรรมของใจตายแล้วมาเกิดเป็นคนงี้เนี้ยมีอุบัติภพ พบด้วยการอุบัติด้วยการเกิดขึ้นอีกอางหนึ่งคือพบของใจเป็นพบเล็กๆทันทีครูบาอาจารย์นะท่านไม่รู้ศัพทท่านก็เรียกเป็นพบใหญ่กับพบย่อยๆพบเล็กพบน้อยพบเล็กพบน้อยพบย่อยๆคือพบของใจการดิ้นรนของใจมีพบเมื่อไหร่มีทุกข์มานั้นอย่างเราเกิดเป็นคนเราก็มีทุกข์มานานนะทันทีที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยเราก็ทุกข์แบบคนนะ แก่เป็นลิงก็ถูกแบบลิงใช่ไอย่างลิงต้องกัดกันนะอาหารไม่พอต้องไปสู้กันที่ลบบุรนะีช้างเกิดเป็นช้างนะตอนนี้อาหารไม่พอในป่าป่ามันเหลือเล็กนิดเดียวนะแล้วช้างเนะี่ยเพิ่มจํานวนขึ้นช้างเมืองไทยตอนนี้มีสามพันกะว่าตัวเองเมื่อก่อนมีเยอะนะมีเป็นหมืน่นนี่เหลืออยู่สามพัน สามพันนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะ่ะก่อนหน้านี้เหลือสองวันกว่าเกือบหมดละนี่เรค่อยดูแลรักษากันไว้ไม่ไปยิงช้างนึช้างก็เพิ่มแต่ป่าเนี้ยลดลงเรื่อยๆช้างก็ออกจากป่าออกแค่ภูเขาลงมาที่ไร่ที่จริงคนไปแย่งที่นะไปรูปป่าทำไรช้างก็ทวงสิทธิ์คืนนะลงมากินพืชไร่อะไรเย กระทบกระทั่งหิวโหยไม่มีน้ําในป่าแห้งแลง้งว่าคนไปตัดไม้หมดนะพวกสัตว์ก็ลําบากมากเลยเนี่ยพราะันเกิดนะเกิดเป็นช้างยังลําบากเลยเกิดเป็นคนก็ลําบากนะทําไร่เราช้างลงมาเหยียบมาเ น, นี่มันกระทบกระทั่งในโลกนี้มีแต่ความกระทบกระทั่งเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นนะเกิดเป็นคนก็ต้องทํามาหากินใช่ไหมตอนเด็กๆก็ต้องไปเล่าเทียนหนังสืออนะไรเงี้ย ชีวิตวุ่นวายมีแต่ความทุกข์อันนี้เป็นภพใหญ่นะภพย่อยก็คือทุกครั้งที่ใจอยากใจจะดิ้นรนความดิ้นรนของใจเป็นภพย่อยๆทุกครั้งที่ใจดิ้นรนความทุกข์จะเกิดขึ้นนะเราอยากไปดูหนังใจก็ดิ้นรนนะอยากไปดูคอนเสิร์ตอนะไรเงี้ยไม่รู้จะจองตั๋วได้หรือเปล่า เลิ้นรนนะจองมาได้แล้วเขางดเขายกเวร น, นะตอนนี้เขายกเลิกนรอไปก่อนะตอนรอไปก่อนเนยเงินก็จ่ายไปแล้วจะได้ดูเปล่ามไม่รู้ไม่รู้ว่านักสแสดงมันจะตายหรือเราจะตาย่าไม่แน่นะนใจก็กลางบนนะเงิในใจมีความอยากเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์เมื่อนั้นนะแต่ความอยากห้ามไม่ได้ความอยากเกิดเพราะใจไม่รู้ความจริง ของกของใจดัสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะคือให้เรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจการเรียนรู้ความจริงของกายของใจคือคําว่าวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานเนะี่ยเป็นศาสตร์เฉพาะในพระพุทธศาสนาที่อื่นไม่มีอย่างศาสนาอื่นอาจจะสอนให้ประพฤติอย่างโน้อนอย่างนี้นะมีศีลมีธรรมอะไรเงี้ย กนะ็เป็นคนดีได้นะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนสังคมอะไรเงี้ยแต่ไม่มีวิปัสสนากรรมฐานงันเรียกว่าไม่สบายกนะากินยาแก้ปวดยังไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุพระพุทธเจ้าสอนนะให้ลงมาที่เหตุหนยะดับที่เหตุซะเลื่อนผลมันไม่มนะีดับที่เหตุของความถูกนะ ก็คือดับความเห็นผิดว่ากายนีใจนี้เป็นของดีของวิเศษเป็นของเที่ยงเป็นสุขนะเป็นสิ่งที่ใช่ตัวเราแน่นอนเป็นตัวเราเนี่ยเ่าเห็นความจริงนะเรารู้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราแล้วก็มันเป็นตัวทุกข์กายนี่คือตัวทุกข์ใจนี่คือตัวทุกข์ ใจมันยอมรับตรงนี้ได้นะทำวิปัสสนาจนใจมันยอมรับความจริงได้กายนี้ทุกใจนี้ทุกม่ก็จะหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจไม่ทุกเพราะรู้ว่ามันทุกนะั่นการรู้ความจริงนี่นนะเป็นการทําลายต้นต่อของความทุกขนะ์ถ้าไม่ได้ทำวิปัสสนากรรมฐานไม่มีทางพ้นเลย ไปสวดมนต์ขอพรพระเจ้าในบางประเทศนะโรคระบาด ท, ทางรัฐบาลเขาก็เตือนบอกว่าอย่าชุมนุมเลยมันเรียกชุมนุมเลยนะบอกเดี๋ยวเรามาช่วยกันสวดมนต์ในพระเจ้าช่วยขจัดโรคเองแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็ตายสิตัวเองตายไม่พอนะตัวเองมีความเห็นผิดพล้วพาคนอื่นเขาก็เดือดร้อนไปด้วยประเทศชาติเสียหายไปหมดเลย เนี่ยเพราไม่ได้ไม่ได้รู้ที่ต้นเหตุนะส่วนโมอนอ้อนวอนนะมันแก้ปัญหาอะไรได้ก็หลอกตัวเองให้สบายใจในชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะก็เหมือนพวกเรานะคนไทยเราไม่ได้นับถือพุทธแท้ๆนะคนไทยนับถือพุทโนกับผีนะพนทโธงั้นลาบากขึ้นมาเาไปจุดทูปจุดเทียนะบ่นเจ้าพอ่อเจ้าแม่น้นนี้นะ ถ้าหลวงพ่อเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะหลวงพ่อจะบอกว่ากูก็ทุกเหมือนกันนะกูก็ลาบากเหมือนกันมือมากวดกูทุกวันเลยนะยังเป็นเจ้าแม่เป็นต้นไม้คนมาถูต้นไม้ทุกวันเลยเหมือนอยังมาถูตัวเราอย่างนี้ทุกวันนะลาบากนะไม่มีเหตุมีผลนะเพมือนถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะเราจะงมงายนะอย่านึกนะว่าเมืองไทยศาสนาพุทธเราเพียวไม่เพียวหรอกปนเะปือป้อนเยอะเลยอย่างดีว่ามีครูบาอาจารย์แล้วก็ฝ่ายปริยัติเขายังรักษาคำพีอะไรไว้ได้แื่เราลงมือทำจริงก็ปนเปื้อนอีก ที่ว่าเรารูกเรานะยังได้ครูอาจารย์ยางหลวงปู่มั่นอะไรเงี้ยท่านมาบุกเปิกการทำกรรมฐานหลวงปู่มั่นไม่ร้องขออะไรเทวดามีแต่เรื่องภาวนาศึกษาปฏิบัติเอาเรียนรู้กายรู้ใจเอาก็ท่านกาพนทุกไปลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เรียนตามที่ท่านสอนฝึกจิตฝึกใจไป ใจไม่สงบฟุ้งซ่านฝึกให้สงบด้วยสมาาถะกรรมฐานใจสงบแล้วเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายของใจกนะารทามีปั ส, สนากรรมฐานใส่สมาถากรรมฐานมิปั ส, สนากรรมฐานเองเป็นเครื่องมือฝึกใจนะในสดใจก็เข้าใจความจริงความจริงของกายของใจของรูปของน้ํามันไม่ใช่ของดี มันคือตัวทุกข์ใจก็ปล่อยวางเพราะเห็นตามความเป็นจริงยิเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหนายจึงคลายความยึดถือถ้ใคลายความยึดถือจี่หลุดผลนค่อยๆภาวนาเนียใจเราก็จะแจม่มแจม้งขึ้นมาไอ้หนุ่มที่นั่งแถวที่สองอะนะคนจีนเหรอคนจีนอ๋อแล้วออยังไม่เข้าใจ ใจยังออกไปอยู่ข้างนอกตลอดนะย้อนมาเรียนที่ตัวเองไม่ใช่ออกไปอยู่ข้างนอกนะคอยรู้สึกในร่างกายยังเวลาเราใจลอยใจเรามาสนใจหลวงพ่อนะมันดูที่หลวงพ่อเนะี่ยใจมันมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเองไม่ใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเองก็ไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจตัวเองได้ มั้นการที่เราฝึกสมาธิกันนีนะเพื่อฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองสมถะคำปรมฐานเนะี่ยฝึกให้ใจมันอยู่กับตัวเองไม่หลงลืมตัวฟุ้งซ่านไปที่อื่นพอจิตใจมันอยู่ที่ตัวเราเองได้แล้วก็มาเจริญปัญญาเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจเห็นมันทํางานไปเรื่อยๆอนี่ฝึกอย่างนี้ไปคนเกียรติธรนะหายใจไปรู้สึกไปหายใจแล้วรู้สึกตัว ตอนนี้นใจไหลไปคิดละใจวิ่งไปคิดรู้ว่าใจวิ่งไปคิดรู้ทันใจตัวเองไปนะไม่ได้ฝึกบังคับใจให้ดีนะไม่ได้ฝึกบังคับใจให้มีความสุขไม่ใช่ฝึกบังคับใจให้สงบแต่ฝึกให้รู้ทันใจตัวเองใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเฝ้ารู้เฝ้าดูไ ป, <idelity> ไปความเปลี่ยนแปลงของมันไปนะ แั่แเรียกว่าการทำวิปัสนาใจเราเปลี่ยนทั้งวันเห็นไหมเห็นก็ดีแล้วเห็นก็ดูความเปลี่ยนแปลงอย่าไปบังคับให้มันไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงเราจะดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นน่ะนี่วันนี้ถือว่าไม่ได้เทศนะเพราะประกาศงดเทศไว้ วันนี้ถือว่ามาคุยกันเล่นๆแล้วเดี๋ยวก็เลิกแล้วงั้นทางที่ดีนะต่อไปโรคมันมากขึ้นนะอยู่บ้านไม่ต้องมาที่วัดนี่หรอกอยู่ที่บ้านคิดถึงหลวงพ่อก็ดู YouTube ไปแล้วภาวนาไปถ้าภาวนาเป็นจริงๆนะจะรู้ว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปไหนหรอก หลวพ่ออยู่กับใจเราเองเหมือนหลวงพ่อภาวนานะตอนยังภาวนาไม่เป็นนะเรารู้สึกว่าหลวงปู่ดูลอยู่สุรินอยู่ไกลพอภาวนาเป็นนล้วมันลูกปู่อยู่กับเราเวลาเราจะคิดไม่ดีนะเราจะรู้เลยถ้าคิดอย่างนี้หลวงปู่ต้องว่าเราจะพูดไม่ดีนะเรารู้เลยว่าถ้าพูดอย่างเนี้หลวงปู่จะว่าเราจะทําไม่ดีเรารู้เลยว่าเดี๋ยวหลวงปู่จะว่านะา ไม่ว่าเราจะคิดเราจะพูดเราจะทำอะไรเนี่ยแท้ๆยอยู่ในสายตาครูบาอาจารย์ตลอดเวลาเถ้าใจเราผูกพันอยู่กับครูบาอาจารยนะ์เราจะไม่กล้าทําชั่วไม่กล้าขี้เกียจภาวนาจะมีความรู้สึกเหมือนท่านอยู่กับเราตลอดเลยอย่างพวกเราหลายคนนะภาวนาไปเรื่อยๆที่ติ ด, ตดขัดอะไรขึ้นมานะรู้สึกได้ยินได้ยินเสียงหลวงพ่อ บ, บอกทำอย่างนี้สิอย่างนี้สิแต่นี้เชื่อไม่ได้นะ ต้องดูเหตุดูผลบางทีมารหลอกเรานะมานมาหลอกเราไปนอนฉะไม่ต้องภาวนาหรอกอะไรเนีเมื่อทีมันหลอกเราะใจของเรายังมีกิเลสอยู่ตราบใดที่ใจยังมีกิเลสอยู่เชื่อถือไม่ได้หรอกนะต้องระมัดระวังต้องสังเกตให้สิ่งที่จิตมันสไายทอดออกมามันสอนออกมานะนะมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงก็อย่าเชื่อมันบางทีมันหลอกเรา มีเหมือนกันนะหรอกภาวนาเจริญสติปัฏฐานอยู่ทีทีนะมีคนมาคุยนะเนี่ยเข้าทรงพระองค์นี้ได้นะแล้วท่านสอนธรรมะได้ในเมืองไทยมีเรื่องอย่างนี้เยอะนะถึงบอกว่าไม่ใช่พูดหรอกมีความปวดเพื่อนเยอะเมื่อก่อนก็มีคนบอกว่าเข้าสรงหลวงพระทวดเข้าทรงสมเด็จโตสแสดงธรรม คนก เ, เชื่อนะขนาดพวกปัญญาชนยังเชื่อเลยเอาเงินไปให้เขาแยะแยะไปสร้างสำนักใหญ่โตขึ้นมาแต่หลังชักเลอะเธอหนักขึ้นนะถูกปราบไปถูกยึดสำนักไปทุกวันนี้ก็มีเข้าสรงอะไรนะสมเด็จโตเข้าทรงหลวงพระทวดเข้าทรงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหลวงปู่โลกอุดอรอะไรเงี้ยแล้วแต่จะเม ก, กันอนะ หลวงปู่โลกุดอนจะมาเข้าส่งใครเรื่องอะไรท่านจะมาเข้าส่งไม่ใช่หน้าที่ของพระเนะี่ยบางทีก็พูดปก็เชื่อเชื่อเชื่อกันนะพอเชื่อคอยตามเขาก็สะกดจิตเอาได้แช่เปิดใจนะพวกนักสายศาสตร์มันก็สะกดจิตเอาเอาเป็นเครื่องมือหาเงิน นั้นอย่า ง, งมงายนะใครเขาพูดอะไรว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอะไรเนะี่ยถ้านอกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเลยอย่าไปเอามันถ้ามันดีจริงอะนะพระพุทธเจ้าสอนหมดแล้วละทำไมไม่มีในคำภีเรื่องเดินลมพราณกระบวนกานี้ดีเปิดจักราอย่างนี้ดีอะไทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าไม่รู้เหรอ พระพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าความรู้ของท่านเนี่ยเยอะแยะเลยเปรียบเทียบเหมือนใบไม้ทั้งป่าเลยแต่สิ่งที่ท่านสอนเนี่ยคือใบไม้กับมือเดียวถามว่าทำไมท่านสอนใบไม้แค่นี้เพราะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมไม่สอนอะไรนอกเรื่องนอกราวออกไปเยอะแยะความรู้เพราะไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แม้เรามีขอบเขตนะเราศึกษาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์ ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่เพื่อความเฮงนะเพื่อจะแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเงี้ยดังนั้นเป็นศาสต ร, ร์นอกาศาสนาพุทธดังนะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าคือใบไม้หนึ่งกับมือท่า น, นะในบรรดาความรู้ตั้งเยอะแยะอย่างความรู้เกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับเอกภพเกี่ยวอะไรเงี้ยท่านไม่สอนเพราะว่าอะ ไ, ไม่เกี่ยวกับความพ้นทุกข์นะ ท่านสอนเรื่องเฉพาะเรื่องว่าความทุกข์คืออะไรสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์คือกายกระใจความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากนาสาวลงไปความอยากเกิดจากความไม่รู้ละความไม่รู้คืออวิชชาได้ตัณหาก็ดับความดิ้นรนของใจก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดมีเหตุมีผลท่านสอนให้ละที่เหตุนะไม่ใช่ให้ละที่ผลผลคือตัวทุกข์ละไม่ได้นะ ันตัวทุกข์ละไม่ได้รู้ที่ตัวเหตุละที่ตัวเหตุเหมือนเวลาไฟไหม้ไฟไหม้เราดับไฟจริงๆเราไม่ได้ดับไฟแต่เราดับเหตุของไฟเหตุของไฟมีอะไรบ้างอันแรกมีเชื้อเพลิงมีความร้อนสูงมีออกซิเจ น, นไฟก็ติดขึ้นมาเวลาดับไฟเหงเกตไหมเอาน้ำไปราดเพื่ออะไรเพื่อลดความร้อนลง ความร้ไม่ถึงขั้นไฟก็ดับนะเพอดับเหตุของไฟไปบางทีก็เอาโฟมไปฉีดนะไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปถูกที่จุดที่ไฟไหม้พอไม่มีออกซิเจนไม่มีเหตุไฟก็ดับนะไม่มีเชื้อเพลิงไฟก็ดับนั้นกระทั่งการดับไฟนะยังดับที่เหตุเลยไม่ได้ดับไฟไฟเป็นตัวผลลนะตัวทุกน็เหมือนกันตัวทุกเป็นผลดับไม่ได้ ท่านเลยบอกทุกข์ให้รูแต่ระดับเหตุของทุกข์คือตัววิชาตัญหาอุปาทานพวกนั้นเป็นตัวเหตุของความทุกข์นะนะาศาสนาพุทธนะสอนด้วยเรื่องเหตุเรื่องผลไม่ใช่เรื่องงมงายนะอยากพ้นทุกข์เราสวดมนต์เยอะๆพ้นไหมอยากนิพพานสวดมนต์ทั้งวันเลยพ้นไหมนะสวดจะให้ตายก็ไม่พ้นหรอกนะสวดแล้วสบายใจ ขนานั้นแหละเหตุกับผลต้องตรงกันอยากพ้นทุกก็ต้องลาสมุไทยวิธีลาสมุไทยก็คือการเจ ร, ริญมรรคสีที่เรียกว่ามรรคยออ้อนออมาคือศีลสมาธิปัญญาตัวที่ล้างกิเลสจริงๆให้ตัวปัญญาใส่ศีลใส่สมาธิเป็นพื้นฐานแล้วพัฒนาปัญญาให้มา เมื่ใจเราฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิก็ทําสมถะกรรมฐานใชจมีสมาธิขึ้นมาเป็นฐานเราก็ไปเดินปัญญาก็ไปัญญาเป็นตัวล้างความทุกข์ล้างกิเลสนะพระพุทธเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะไม่ใช่ด้วยศีเนือสมาธิแต่ไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญา ทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งสิ้นช่วงนี้ก็พยายามไม่จำเป็นที่จะออกจากบ้านนะเอาออกบ้านก็ฝึกสติให้ดนะีให้ประเภทเคยตัวอย่างเงี้ยนะมีสติซะในโรคที่ระบาดอยู่เนี่ยนะหายใจยังไม่ค่อยน่ากลัวนะมือน่ากลัวกว่า แล้วไม่ใช่มือคนอื่นนะมือเราเองแหละแล้วทำไมเอามือมาป้ายตาป้ายปากป้ายจมูกมันเคยชินเป็นขาดสติแม้จย่งเดียวจนะไม่พอนะเดี๋ยวเผลอไปรูปหน้ารูปตา ควรจะใส่หมวกกันน็อกด้วยครอบหัวไว้พะจะเกาอ้าวเจอเนี่นะสติเรา ย, ยังไม่สม บ, บูรณ์เคล่นไหวยังไม่รู้สึกตัวไม่มีสติไปอาหันไปทางน้ น, นไม่ต้องกราบหลวงพ่อเสียเวลาหัดไปทางโน้น